ความเลีไหลหรือความมีหลักฐานมั่นคง hoodie. ความรู้วิชาที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังในอนาคตเมื่อเตโตขึ้นมาเด็กก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วพยายามศึกษาเรียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจมาทั้งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้ว จะไปเป็นอย่างเด็กนั้นเป็นไม่ได้เพราะเหตุผลนึกความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองอนะคาคตของตัวเองตลอดครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี้ต้องมีครอบครัวจะไปทําแบบเด็กนั้นทําไม่ได้มันจะจนกรอบจนมุมขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทําเพราะเหตุผลบังคับให้ทํานี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามระดับลําดาผลงานนั้นก็เป็นเครื่อง พยุงจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ผลงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับทีเก็เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักข์เขาอีกก็ mm. เพิ่มขึ้นไปเรื่อยก mm. ารปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้ใจขึ้นมาตั้งแต่เด็กเด็ก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 เป็นสมบัต oh. right. ิของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี่แลในการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อละเพื่อตอบถอนยิ่เลืเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดภายในจิตใจเพื่อความเดียวฉลาดตลอดถึงการตอดถอนยิ่งเลือดไปเรื่อยหลังที่เราคาดไว้นะวิมุติพระนิพพานเป็นต้นเนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเราหนึ่งที่จะให้เกิดความมุสาพยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบากลำบนเพียงไรก็ตาม เขียนพิษทางเดินเราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นเนื่องต้องมันต้องตะเกียบตะกายไปจนได้ทั้งทที่กิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคําว่าจะไปเพราะ น, นี้ผานในกิเลสมันโขขัดมากที่เดี่ยวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราคิด พ, พินาศคิบหายมันไม่ยอมให้ไปอนี้กิเลสมันก็เป็นนามธรรมามันอยู่ภายใจิตใจเป็นที่เพียงว่าทําการกิดคว้างภายใจิตใจเราจะบำรุงเพ็นคุณงามความดีนี่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 อัดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัว ด, ดื้อนั่นเองนะคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่สัตว์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดื้อไปดูด่าว่ากล่าวเขาทําไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทําผิดดูด่าว่ากล่าวกันทํำไม่เฮ้จิตที่ดีอยู่แล้วจะไปฝึกทรมานกันทําไม นี่เวลานิ้มกิจของเราไม่ดีไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุที่เราจะต้องทรามานนั่นเป็นเหตุที่เราจะต้องบังคับเป็นเหตุที่เราจะต้องปราบปรามกันให้เต็มเหตุเต็มผลถึงเหตุถึงผลเต็มสติกำลังความสามารถนี่อุบาสติปัญญาก็ขึ้นช่องนี้ถึงจะลาบากขนาดไหนมันก็ไม่ถอยเพราะเราทราบแล้วว่ากิตของเราพยะกิจของเราดื้อด้าน แล้วเราจะทำอย่างไรกิจตั้งเราถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลในตอ น, นในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องท ร, รมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มเหนียวที่เดียวเนียเมื่อกิจมันผาดผลด้วยอำนาจของกิเลสเรา ก, ก็ผาดผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักๆความชนะไปเป็นพักๆนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่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 ไม่ลำบากเฉยๆผลที่เกิดขึ้นมาจากความลำบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสนั้นมันเป็นแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีผลดีเรื่อยๆนี่จิตแม้จะผักผลขนาดไหนก็ตามสู้เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระโพธิจารขันติเอามาใช้ วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ลดละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราฟาดฟันลงไปกิเลสจะหาอุบายแสดงคุณมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสต้องนํามาปราบจนได้ปราบกิเลสม่ได้เราแพ้อืคนที่แพ้อ ย, อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายังไม่สบายเลย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 แม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่องมือมากมายกายกองเป็น ล, ลํารถลํารถที่ดูเขาทําไมไม่มีเครื่องมือเพียงอันเดียวอันนี้เครื่องมือปราบกิเลสภา ร, รกิจจังเรากิเลสมีกี่ประเภทนะมีกี่ชนิดไม่ใช่จะนอนหมอบล่าให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายละนีแลหน้าอยู่ตลอดเวลาดีไมด่ดีเข้าไปมันฟันเราซะก่อนแล้วถ้าเข้าไปยังไม่ถึงเข็ดแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ปากทางเลยตายพิ่หน้าสตโลไปหมด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 ตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายจนบอบบตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักศิศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามเรือว่าพุทธทางสนางกะฉามนี้แล้วเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นธงชัยปราบปรามทิเลต จ, จนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักๆนีเรียกว่ามัชฌิมาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละมัชฌิมาทิเลตผ่าผลมัชฌิมาผาดผลเอาให้ถึงกันถึงกัน กิเลสละเอียดลงไปมัจฉิมาละเอียดกิเลสแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัจฉิมากได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อนทันทนกันโดยลําดับดับเอาให้พินาศไปหมดไม่มีเหลือเลยในในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลําบากลําบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่หเหลี่ยมแหลมคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยพนันาจิตใจไม่ให้เราประกอบ คา้ามภาคความเพียรด้วยความตั้งเมื้อตั้งตัวได้เลยมันทําให้ล่มทปทางนั้นทำให้เอนไปทางนี้อยู่นั่นแหละะเราให้ทราบว่าสิ่งนใดที่จะเป็นภัยต่อความดีนั้นนะ่ะคือกิเลสทั้งหมดเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันตั้งป้อมอที่ไหนมันตั้งป้อมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทําความดีนั่นแหละกิเลสมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะคึกคักตื่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปปลูกมันแหละพอคิดว่าจะสร้างคุณงามความดีะกิเลสมันจะตั้งข่าสู้เราแล้ว แล้วปราบเราอยู่หมัดด้วยนี่ว่าจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นเออจะไปทําบุญำทำทานไปรักษาศีลภาวนามันจะต้องหาอบายขึ้นมาไม่ได้นะน้องานอย่างนั้นทํา ง, งานอย่างนี้ยุ่งนะยุ่งอย่างนี้เออกว่าจะลําบากลําบนอะไรอดเข่าขำเข้าเย็นรักษาศีลจะทำไม่ได้สะดวกสบายมันยุ่งไปหมดเละมันหลอกเราตอนที่เรายังไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันแหละเพราะเราเคยเชื่อมันมานานแล้วทีนี้พอเรา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 จะประกอบความภาคเพียงหนักเราแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบเป็นใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏดูอย่งางชัดเจนภายใจิตใจแล้วเราเริ่มพยายามโดยลําดับเอา้าทําให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและออัศจรรย์เห็นหลักแห็นเกณฑ์เห็นที่พึ่งของใจโดยลําดับลําดับแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลํำดับนี่ทีนี้ความเพียรเริ่มเริ่มแล้วทีนรู้หน้าที่การงานของตนทํากิจการงานอย่างไดอยู่ก็ตามพอถึงเวลาที่ จะควรบำเพ็ญเอากิงเอาจางมันปล่อยทันทีเลยทำไมถึงปล่อยได้แต่ก่อนทำไมมันยุ่งมันยุ่งแล้วทำไมมันปล่อยได้คนคนั่นแท้เวลาเวลาก็เป็นเวลาอันเก่ามืดแจ้งอันเก่าทำไมเวลานี้มันปล่อยได้เวลาแต่ก่อนก่อนมันปล่อยไม่ได้เพรเหตุอะไ่มันกระเพะกิเลสนั่นแหละสร้างขวากสร้างหนามให้เหยียบให้ตำเท้ามันเดินไปไม่ได้ก็นอนครางอย่างนั้นแหละไม่ว่างเนี่พอถอเสียนตอนน้ำกุญแจตัวเ็นอุปสรคนั้นออกแล้วก็ก้าก้าได้เราทได้ถึงเวลาเวลาแล้วใคจะมาห้ามไม่ได้ เมเวลาเราจะตายใครจะมาห้ามเราได้มันยังตายได้หากว่ามันไมีเวลาว่างเลยทําไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาจะทําความเพ่ียรทําไมมันไม่ว่างนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้แหละเราตายแล้วไม่ว่างอ่ะไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทําความเพียรเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดยังมีชีวิตอยู่นี่นี่แค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบยิ่เละยิ่งเละที่มาก่อขวนที่มาทําการขีดขวางแก้โดยวิธีนี้ ผลก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายเยน็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็เห็นคุณค่าของตนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพี่ยนของตนเป็นลำดับลำดาบอ้าวพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบครั้งนี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วอา้าวปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วสงสารนี่เป็นไรโลกมันมีอะไรคำว่านิจังทุกขลตานีจต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มไปด้วยนิจังทุกขลตาในใจของเราก็เช่นนั้น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 รถเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรถอะไรบ้างเรารู้แล้วตื่นรถอะไรอีกเครื่องสัมผัสสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัด น, นี้ยังไม่หายตื่นอยู่หรอตื่นอะไรอารมณ์เครื่องยอยุโ ย, ย, ยนภายนจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงรลิเนรืน่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วตื่นมันอะไรอีกนี่กองไอ้จังทุกขั ง, งตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึง้ง ถ้าซึ้งเรียกว่าชาัดชนแล้วมันปล่อยความเที่ยวเกี่ยวข้องเที่ยวหาเที่ยวหามแบกนุ่นแบกนี่มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านประกาศอยู่แล้วว่ามันกองทุกข์เพราะความยึดมัน่นถือมัน่นความสาคัญผิดเพราะความโง่เขราว่าปัญญาแล้วยังไม่ยอมเราก็ถือว่าเราฉลาดความจริงก็คือกิเลสนั่นเองมันฉลาดตัวเราเองมันโง่มันก็ไม่ทันเขา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 เปลี่ยนแปลงมันไปโดยลําดับลําดานี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาการพิจานาเช่นนี้ก็เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความตํางการผิดต้งตนด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาหลันก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้เปล่อยได้ความกังวลมันก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมักรบกวนจิตใจมันก็สบายเหมือนกับน้ำไม่มีอะไรกวนแล้วก็ใสสะอาดถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มี ตะกอนหยุดก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้แต่ว่าอะไรจิตใจยิ่งกว่าควรต้เดียงอยู่ตลอดเวลาเด้วยความโง่เขลาวิญญาณด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็อยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อควรมจิตใจให้เดือดร้อนมอันไว้ตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนจะว่าอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้น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 สำคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญาเป็นขั้นๆถอดเอาโดยลําดับลํำดับลําดั บ, ด บ, ดบเมือนั่งที่ท่านสวดถอนโบดนั่นเองนี่ท่านทําเป็นอุบายสําคัญมากทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไรเราเคยเห็นท่านถูกวระทัตที่มาท่านสวดถอนซะก่อนพระสงฆ์มาจํานวนมากมายืนเป็นแถวก็แล้วสวด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 ทางลูกทางเสียงกลืม่มรถเครื่องสมผัตกว้างแคบชื่งจิตมันไปสำคัญนั่หมายกําหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถอนความยึดมันม่นถือมั่นเข้ามาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งเข้ามาถึงธาตุขันตัวเองมีเป็นสิ่งสําคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงดูทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสําคัญเขาไปหา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 พิจาณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แ น, น่หนาท้าววอนมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสายทีจังทุกขณทะอยู่ตลอดเวลาทุกอายาบทแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผั น, นไปตามเดือนปีนาทีมุ่งเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็ ห, หมุนไปนของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจยอยู่ได้อย่างไร ต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาเพราอจะถอดถอนเหมือนกับว่าไฟมันไหม้เขาลูกลามเข้ามาลูกลามเข้ามาจนกระทั่งจะถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบผลของออกเหลือถ้าเราไม่อยากให้ให้ไฟมันไหม้ถ้าจนเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเราก็ควรรีบผลของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ยจะทําะไรเรารีบผลของออกเสียตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบผลของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดทําสร้างให้พอ เรายังจะไปยึดไปถือมันอยู่เหรอไฟจะไหม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปล่อยปล่อยอ่าสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากาหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลําดับลําดับฮะรูปก็เป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระเจิงกำลังไหมอันนี้จังทุกขังน้าตามันไหมหลับเวลาเอ่าพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปอรูปนั่นก็คือก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบกว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรือ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 รู้งงงงดาเไปงนนั่นก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจารณาและพิจารณาเล่าซ้ำซ้ำซากซากให้เป็นความสนิทติดใจซึ้งใจแล้วมันจะปล่อยเองถ้าพิจารณายังไม่พอไม่ปล่อยเราจะเข้าใจว่าพิจารณาเท่านั้นเที่ยวตอนนี้เที่ยวจะพอเราจะเอาความสำคัญอย่างนั้นเข้ามา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 ก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยปล่อยทั้งอุปท า, านถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความถูกความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่าไปเสกสรรว่า ม, มันเป็นอย่างนั้นนี้มันจะปลอมใจของเรามันปลอมสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นทุกข์ได้เนี่ยเวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใ จ, จ นายเห็นชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสําคัญสังขารยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ยสังขารยื่นให้สัญญายึดมั่นยืนมั่นกวาดเข้ามากวาดเข้ามาฝังพรา จ, จิตใจมีตั้งแต่เสี้ยนแต่หนามเต็มไปหภาจริตใจ้นหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งทุกความสํองการั้นหมายว่านี่มันทิ่นแทงพรา จ, จิตใจจนแหลกมอดฮน่เหมนญาณรับทราบขนาดที่สิ่งมาสัมผัส ยับๆๆๆๆเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบปั๊บดับพร้อมอะไรมาสัมผัสนั่นก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมว่าเป็นตนไม่ยางเลยแหนังชัดใครมันไปหลงไปงม ง, งายกับสิ่ง น, นี้ถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชาครอบหัวมันอยู่นั่นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไป ตัวนั้นแหละตัวหลงจริงๆรากเง า, าความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจริงต้องรับแต่ทุกข์ทั้งนั้น <S <S เกิดมาจากไหนความปรุงปุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหนหมายมาจากใจเกิดขึ้นก็เกิด ข, ข, ขึ้น่ดับตรงไปที่นั่นอะไรๆเกิดขึ้นั่นดับไปที่นั่นรากแก้มันไม่ดับมันก็ถักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆนั่นอ้าวพี่น า, าไป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 มีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวเปลืของมันที่เจอด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดที่เมื่อจืดหมดแล้วพิษภัยในของมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือจะรสธรรมชาติของมันเช่นเผือกให้รับทานลงไป อ, อร่อยอร่อยไม่เป็นภยัยไม่เป็นพิษเนี่เป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองอีกใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซากฟอกออกด้วยตะปะธรรมคือความเพียรแผดเผา เลี่ดซึ่งมีอยู่ภายใ จ, จิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รสธรรมชาติของจิตแท้นั่นแลท่านว่าอมอะตังรสแห่งธรรมก็คือรสของใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนมีอยู่ภายใใจรสแห่งธรรมชำนาถึงรสทั้งปวงมันชำนาญที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรสแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจเพราะอานาจของสติปัญญา ขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รสธรรมชาติล้วนๆท่านว่าปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วใครที่ติดคุกติดตารางด้วยกิเลสตัณหาจองจอําอีกตลอดเวลานันคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจเมื่อใจได้ปวดเพื่องออกมาเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาแล้วใครจะเป็นเป็นผู้พ้นโทษใครผู้พ้นโทษเราจะเรียกคุณนั้นเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนเนี่ย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 ไม่เห็นความจริงของวิพญาณคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพานไมาเรียกไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดเพราะตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกประวังสุ ข, ขังประวังสุ ข, ขังก็คือจิต ด, ดวงที่พ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นประวังสุขขังอย่างเต็มดวงทีเดียวมีอยู่เพียงแค่นี้แล้ความรู้ที่ ร, ร, รู้อยู่เวลานี้แหละ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 จิตจริงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกดีอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากําลังบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังที่ปิดบังจิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกําลังของธารมของเราคําว่าสุขในขั้นใดๆนั้ น, นเราจะไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยลาพังตัวเองเท่านั้นโดยกันทั่งถึงปรมาหมาสุขขังจะมมีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหน